เดี๋ยเกิดที่จมูกไปดมกลิน่นไปเกิดที่ลิ้นไปรู้รสเนี๋ยเกิดตามผิวกายไปรู้สัมผัสทางกายเนี๋ยเกิดทางใจไปรับรู้อารมณ์ทางใจเรียกว่าทำอารมณ์เนี่เราจะเห็นความจริงถ้าภาวนามาจุดที่เดินปัญญานะเริ่มแยกขันออกไปจะเห็นขันแต่ละขันนะไม่ใช่เราหรอกร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่เราห่างๆออกไปนะเหมือนดูคนอื่น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 แยกได้ตัวนามเองก็กระจายออกไปอีกตัวรูปก็กระจายออกไปได้อีกอย่างตัวรูปกระจายออกไปเป็นธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมตัวนามกระจายออกไปเป็นเบทนาสัญญาสังขารวิญญาตแยกออกไปเป็นสี่นะมีรูปก็เป็นสี่น้าก็กระจายออกเป็นสี่ถ้าแยกได้ละเอียดหมดจนนี่ใช้ได้เลยจะไปขึ้นมีปัสนานได้ถ้ายัางแยก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 ถ้าไม่พูดต่างวิชาการอ้อมอมแแม่แ ม, แม่ไปดูเรื่องเหรอนะก็พากันผิดไปหมดในหลักสูตรนักธรรมเอกมีนะสอนเรื่องสมถะวิปัสสนาเขาก็เขียนชัดเจนเลยเขียนแม้ตั้งแต่สมัยการที่5นะแล้วบอกว่าวิปัสสนานี่ยต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามไม่ใช่เห็นรูปนามเฉะนั้นอย่างเราเรานั่งดูเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าเป็นวิปัสสนาไหมยังไม่เป็น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 ไม่คนละเรื่องเลยนะต้องเรามาระวังให้ดีนะหรืออยู่ๆก็บอกตัวเองว่าอย่าไปยึดถือสิ่งทั้งปวงอะไรๆก็อย่าไปยึดเจออะไรก็บอกไม่ยึดไม่ยึดใจก็โล่งว่างไปเลยเป็นมิปัสชนาไหมเห็นรูปนามไหมนั่งคิดตลอดเลยว่าอย่าไปยึดน้อน่อย่าไปยึดนี่ไม่ใช่ไม่ใช่การเห็นความเป็นใจรัก์ของรูปนามนะไม่เป็นมิปั ส, สนาอยู่ๆก็บอกไม่ยึดอะไรเลยไม่ยึดอะไรเลยนะทใจให้ว่าง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 นี่เห็นไหมมันเป็นหลักของการทำวิปั ส, สนาทั้งหมดเลยในการดูรูปนามนะให้โลกปัจจุบันนี่ยังมีปัจจุบันสองแบบเป็นเรื่องที่ต้องเรียนเยอะมากเลยนะค่อยๆเรียนค่อยๆฟังนะไปเปิดซนะีดีนะเทศบนไปบนมาเราค่อยดูเอาเราค่อยดูไปเร่อยหมดเวลายังยังอีกเนะเสียงหมดอนะ่ะเวลาไม่หมดเอาแค่นี้ก็แล้วกันจะ นี่หมดเลยครับนหมด